ตอนเรียนชั้นประถมะศึกษาผมอยู่กับคุณยายที่บ้านแถวฝั่งทนโรงเรียนปิดเทอมก็จะได้กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านต่างจังหวัดครั้งหนึ่งข้างๆบ้านคุณยายในสมัยนั้นยังเป็นสวนชีวิตวัยเด็กของผมที่บ้านคุณยายก็มีเรื่องสนุกหลายอย่างไม่แตกต่างจากชีวิตเด็กในต่างจังหวัดมากนักเวลาเดินไปโรงเรียนก็ต้องเดินผ่านสวนผลไม้ผ่านวัดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเดินข้ามสะพานข้ามคลองแล้วก็ถึงโรงเรียน ถนนที่ผ่านหน้าบ้านเป็นถนนเล็กๆมาจากถนนใหญ่ผ่านตลาดที่เข้าไปถึงวัดใกล้ๆบ้านฝั่งธนบุรีเมื่อ30ปีก่อนนั้นรถรายยังไม่มากเหมือนอย่างทุกวันนี้การเดินไปโรงเรียนจึงไม่ใช่เรื่องลาบากแต่กลับเป็นเรื่องสนุกซะด้วยซ้ำเพราะว่ามีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่อยู่บ้านใกล้ๆไปด้วย 3-4 สี่คนพวกเราจะออกจากบ้านพร้อมกันตอนเดินไปโรงเรียนก็มีเรื่องให้เล่นสนุกได้อย่างไม่เบือ่อ ยกเว้นแต่วันไหนฝนตกอาจจะลาบากหน่อยเพราะว่าต้องเดินกลางร่มไปด้วยเลยจากสวนไปก็จะมีคลองซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของคนแถวนั้นในคลองไม่ค่อยมีเรือติดเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นเหมือนเดี๋ยวนี้เป็นเพียงเรือพายกันซะส่วนใหญ่นานๆจึงจะเห็นเรือหางยาวติดเครื่องผ่านมาสักลำ ตรงตีนสะพานข้ามคลองก็จะมีร้านขายยาแผนโบราณอยู่ร้านหนึ่งเวลาเดินผ่านไปก็จะได้กลิ่นยาไทยแต่ไกลเจ้าของร้านชื่อหมอสังวานเป็นคนแก่แกอายุราว60กว่าปีหมอสังวานนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านพวกเด็กๆอย่างเราเรียกแกว่าตาหมอ เวลาเดินไปโรงเรียนตอนเช้าเรามักจะแวะที่ร้านหมอสังวานเพราะว่าหน้าร้านขายยาเล็กๆแห่งนั้นมีขนมสําหรับเด็กๆหลายอย่างเอาไว้จําหน่ายไม่ว่าจะเป็นพวกหมากฝรัง่งลูกกวาดแล้วก็ผลไม้แห้งนอกจากนี้ก็ยังมีของเล่นกับสมุดดินสออีกด้วยผมจําได้ว่าหมอสังวานนุ่งสรงตาหมากรุกกับใส่เสื้อผ้าไฝ่คอกลมสีขาวแต่งตัวอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปี เวลาเดินผ่านหน้าร้านมักจะเห็นแกนั่งบดยาหรือหั่นยาสมุนไพรง่วนอยู่ถ้ามีเด็กๆมาซื้อขนมหมอสังวานจะวางมือจากงานที่ทำอยู่เพื่อหยิบขนมขายให้กับเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นหวัดเริ่มมีอาการไอคุณยายพาไปหาหมอสังวานแกก็ชวนคุยอยู่พาคนึงบอกให้ผมเนี่ยอ้าปากพอผมทำตามหมอก็เอานิ้วชี้ลวงเข้าไปในคอผม ความรู้สึกเนี่ยเหมือนจะอาเจียนเพราะว่าปลายนิ้วของหมอสังวานมียาสมุนไพรซึ่งทั้งขมทั้งฝาดปนอยู่ด้วยขอน้ำดื่มก็ไม่ให้บอกว่าเดี๋ยวยาจะออกสมดคุณยายบอกว่าเขาเรียกว่ากวาดคอวันรุ่งขึ้นผมก็เลยหยุดไอ แต่ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมไปกวาดคอแม้ว่าจะรู้สึกว่ายากวาดคอของหมอสังวานเนี่ยดีเพียงไรแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรผมก็ไม่ยอมให้ใครพาไปกวาดคออีกคุณยายก็ไม่เคยบังคับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าผมไม่สบายด้วยโรคอะไรแต่คงไม่ร้ายแรงนักต้องกินยาม่อที่ขมแล้วก็ทรมานกว่าการถูกกวาดคอหลายเท่ายาม้อนั้นคุณยายไปซื้อมาที่ร้านหมอสังวานเป็นห่อเลย แล้วก็นำไปต้มในหม้อดินเผาผมได้ยินคุณยายพูดเวลาไปซื้อยาหม้อว่าไปเจียดยาทางเดินที่ผ่านหน้าร้านหมอสังวานซึ่งเป็นทางที่ผมเดินไปโรงเรียนทุกวันนั้นเป็นซอยเล็กๆตรงริมสะพานข้ามคลองถัดจากร้านของแกไปจะมีท่าเรือเล็กๆที่ชาวบ้านริมคลองใช้ขึ้นลงเวลาไปตลาดคลองที่นี่ไปบรรจบกับคลองที่มีตลาดน้าในตอนเช้าสมัยนั้นตลาดน้ายังอยู่ที่วัดไซบางขุนเทียน เวลาผมไปโรงเรียนตอนเช้าเห็นฝรั่งนักท่องเที่ยวนั่งเรือกันไปเป็นกลุ่มๆที่ผมจำได้แม่นยำก็คือคราวหนึ่งสมเด็จพระราชินีอริาเบตแห่งอังกฤษสเสด็จเยือนประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำสเสด็จไปประพาสตลาดน้ำวันนั้นตอนเช้าทางโรงเรียนเอาธงไทยกับธงอังกฤษเล็กๆมาแจกเด็กๆแล้วก็ให้ไปยืนรับสเสด็จ ที่ริมถนนหน้าโรงเรียนเวลาที่ขบวนรถพระที่นั่งแล่นผ่านพวกเราก็โบกธงกันเป็นที่สนุกเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเห็นพระองค์ท่านโบกพระหัตถ์มาทางพวกเราที่ยืนอยู่หมอสังวานนั้นแกเป็นคนแก่ใจดีเด็กๆ ก, ก็เลยชอบและดูเหมือนว่าแกจะชอบผมเป็นพิเศษกว่าเด็กคนอื่นเวลาไปซื้อขนมหมอสังวานจะชวนคุยถามโน่นถามนี่ครั้งหนึ่งแกถามวันเดือนปีเกิดพอผมบอกเสร็จ แกก็นั่งนับนิ้วมืออยู่พักหนึ่งเออเอ่งนี่ต่อไปจะได้รับราชการเป็นใหญ่โตนะแต่ขี้โรคจนแก่เลยละ่ะว่าแล้วแกก็หัวเราะเอิร์กอาร์กอย่างอารมณ์ดีคุณตาดูหมอเป็นด้วยหรอครับผมถามหมอสังวันยิ้มแต่ไม่ตอบตอนนั้นผมอายุสิบขวบยังไม่ได้คิดถึงว่าโตขึ้นจะทำงานอะไรตอนเย็นผมก็เลยเล่าให้คุณยายฟังเออหมอญานะ่ะเขาก็ต้องดูหมอเป็นทุกคนแหละ เวลาคนเจ็บหนักเขาก็จะดูดวงชะตาก่อนว่าถึงคาดหรือเปล่าถึงคาดเป็นยังไงอ่ะครับคุณยายก็โคนที่หมดอายุสิว่าเรียกว่าถึงคาดคุณยายอธิบายเด็กอายุสิบขวบยางผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคนเรามีหมดอายุกันด้วยหรือแต่ก็ไม่ได้ซักอะไรต่อเวลาที่หมอสังวานเดินผ่านบ้านเราแกมักจะมีขนมหรือผ ล, ลไม้เอามาฝากผมอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็แวะมาคุยกับคุณยายด้วยเอามาฝากล้านหมอสังวานบอกกับคุณยายผมมารู้ภายหลังว่าหมอสังวานกับคุณยายรักใครนับถือกันมาเป็นสิ1 0ิปีเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่อายุอานามก็ไม่ได้ห่างกันมากคุณยายของผมแก่กว่าหมอสังวานไม่กี่ปีคุณยายของผมตักบาททุกเช้าวันละสมองค์ที่บ้านจะเตรียมกับข้าวไวตั้งแต่ตอนเย็น พอเช้าเด็กๆในบ้านหุงข้าวเสร็จก็จะแบ่งไว้ตักบาทอุ่นกับข้าวใส่ข้าวในขันเงินใบเล็กๆแล้วก็เตรียมของทุกอย่างวางไว้บนถาดเอามาวางไว้บนเก้าอี้หน้าประตูบ้านพระที่วัดข้างบ้านจะแวะมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านเราก่อนบ้านอื่นเพราะว่าเป็นทางผ่านถนนเล็กๆที่ผ่านหน้าบ้านเป็นทางที่ออกจากวัดไปตลาดที่อยู่ไม่ไกลนักเวลานั้นยังไม่มีบ้านเรือนหนาแน่น จากวัดเลยจากบ้านเราไปก็จะเป็นสวนผ ล, ลไม้แล้วจึงจะออกไปบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้กับตลาดผมหัดใส่บาตรมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าบางวันถ้าตื่นเช้าคุณยายจะให้ไปใส่บาตรด้วยพอพระเดินมาจวนจะถึงคุณยายสอนให้ยกมือไหว้นิมนต์พระซะก่อน เมื่อพระมาถึงก็จะบอกให้ผมถอดรองเท้าแล้วจึงตักข้าวจากขันเงินใส่ลงไปในบาตรจากนั้นก็เอากับข้าวแล้วก็ขนมที่ห่อด้วยใบตองใส่ลงไปในบาตรถ้ากับข้าวที่เป็นน้ําแกงคุณยายจะให้ใส่ลงไปในปิ่นโตที่เด็กวัดถือเดินตามพระมาด้วยมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นตอนผมยังอยู่ที่บ้านของคุณยาย วันหนึ่งจำได้ว่าเป็นช่วงหน้าหนาวกำลังสอบปลายปีผมตื่นตั้งแต่ตีห้านั่งท่องหนังสืออยู่ตรงนอกชานชั้นบนจนราวหกโมงเชา้าเห็นเด็กในบ้านเตรียมของใส่บาดไปตั้งไว้ตรงประตูรัวบ้านเหมือนกับทุกวันพอสายหน่อยพระก็จะมาถึงคุณยายออกมาใส่บาดตามปกติวันนั้นผมไม่ได้ลงมาใส่บาดด้วยตรงนอกชานบ้านชั้นบนที่ผมนั่งอยู่นั้นมองลงมาเห็นประตูหน้าบ้าน พอคุณยายใส่บาดเสร็จผมก็เห็นหมอสังวานเดินมาจากตลาดผ่านมาหน้าบ้านหมอสังวานหยุดคุยกับคุณยายอยู่นานผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังคงนั่งท่องหนังสือต่อไปตอนที่กําลังจะลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินไปอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนมองลงไปตรงประตูหน้ารั้วอีกทีหนึง่งอย่างไม่ตั้งใจผมก็ต้องสะดุ้งโหยงเพราะหมอสังวานที่กาลังยืนคุยอยู่กับคุณยายนั้นไม่มีหัวผมหมายความอย่างนั้นจริงๆครับ ร่างกายของแกจากคอขึ้นมาหายไปเฉยๆเหมือนกับคอขาดตอนนั้นคุณยายยืนหันหลังให้ผมส่วนหมอสังวานหันมาทางประตูบ้านหน้าแปลกที่คุณยายยังคงยืนกับหมอสังวานอย่างปกติจนบัดนี้ผมยังจำภาพนั้นได้อย่างชัดเจนคุณยายยืนคุยอยู่กับหมอสังวานหน้าประตูบ้านด้านหนึ่งของประตูรั้วเป็นซุ้มต้นกาะเวกหมอสังวานนุ่งสรงสีคล้ากับสวมเสื้อคอกลมสีขาวเหมือนอย่างที่เคยเห็นทุกวัน ผมตกตะลึงอยู่วูบหนึ่งวูบเดียวจริงๆพอดูดีๆดูอีกทีหนึ่งนั่นหมอสังวานยังคงยืนคุยกับคุณยายเป็นปกติเป็นปกติทุกอย่างเหมือนทุกวันไม่ว่าจะเป็นผมสีขาวโพลนหรือใบหน้าที่ใจดีของแกตาผมฝาดไปเองแท้ๆวันนั้นตอนผ่านร้านขายยาเพื่อไปโรงเรียนตามปกติผมเห็นหมอสังวานกําลังชั่งยาสมุนไพรยอยู่ในร้านผมลืมเรื่องที่เห็นเมื่อเช้าซะ ส, สนิท มันได้เล่าให้ใครฟังแม้แต่คนเดียววันรุ่งขึ้นตอนเช้านพุกที่อยู่ข้างบ้านเราหน้าตาตื่นมาบอกคุณยายบอกว่าหมอสังวานถูกแทงตายอยู่ที่บ้านเมื่อตอนกลางคืนคนแทงเป็นพวกติดผงขาวที่ชอบมาแอบม้วนสูบสูบผงกันที่ท่าน้ําหลังวัดสมัยนั้นยาบ้ายังไม่มีใครรู้จักพวกขี้ยาส่วนมากจะเป็นพวกติดเฮโรอีน เนื้อพุกบอกว่าพวกนั้นสองคนคงงัดร้านหมอสงวันเข้าไปแล้วก็กำลังจะขโมยของในร้านหมอสงวันตื่นขึ้นมาเห็นเข้าจึงร้องเอะอะโวยวายพวกมันตกใจก็เลยแทงเอาจนถึงตายเรื่องนี้ชาวบ้านแถบนั้นโจ์จันกันอยู่นานคุณยายผมซึมไปหลายวันผมได้ยินคุณยายพูดกับเนื้อพุกและคนอื่นๆว่าไม่น่าเลยเห็นกันอยู่หลัดหลัดแท้ๆ ส่วนเด็กอย่างผมสงสารหมอสังวานกับคิดถึงสิ่งที่เห็นเมื่อเช้าวันก่อนจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าตาผมฝาดไปเองหรือเปล่า